13. เตรสสมวติหนึ่งกัปตถกถาหนึ่งยี่สิบว่าด้วยผู้ดํารงอยู่ได้ตลอดกับหกร้อยกวาทีบุคคลผู้กัปปัตถะพึงดํารงอยู่ได้ตลอดกับใช่ไหมปรวาทีใช่ศักวาทีกับดํารงอยู่และพระพุทธเจ้าก็อุบัติในโลกใช่ไหมปรวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีบุคคลผู้กับปะถะพึงดํารงอยู่ได้ตลอดกับใช่ไหมปรวาทีใช่ักาวาทีกั บ, so กบดํารงอยู่และประสงค์แตกกันใช่ไหมปรวาท mm ี hmm. ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีบุคคลผู้กับปะถะพึงดํารงอยู่ได้ตลอดกับใช่ไหมปรวาทีใช่สกาวาที กับดำรงอยู่และบุคคลผู้กับปัถะก็ทากรรมอันเป็นเหตุให้ตั้งอยู่ตลอดกับใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้กับปัถะพึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีกับดำรงอยู่และบุคคลผู้กับปัถตะทำกาละใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 655สกวาธีบุคคลผู้กับปะถะพึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีพึงดำรงอยู่ตลอดกับที่เป็นอดีตตลอดกับที่เป็นอนาคตใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้กับปะถะพึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับใช่ไหมปราวาทีใช่ สกวาทีพึงดำรงอยู่ตลอดสองสามสกับใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น6กร้อห้าสิกสวาทีบุคคลผู้กับปัถะพึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับใช่ไหมประวาทีใช่ักวาทีบุคคลผู้กับปัถะเมื่อกับถูกไฟไหม้ไปที่ไหนประวาที ไปโลกธาตุอื่นสกวาทีตายไปหรือเหาะไปปรวาทีตายไปสกวาทีกรรมที่เป็นเหตุให้ตั้งอยู่ตลอดกลับเป็นกรรมให้ผลในภพต่อต่อไปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเหาะไปได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้กลับปัถะเป็นผู้มีผลใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้กับปะทะเป็นผู้มีฤทธิ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้กับปะทะเจริญอิทธิบาทคือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น657ประปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลผู้กับปะะ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 สวยผลกรรมอยู่ในนรกตลอดกับเพราะทำลายสงที่สามัคคีกันให้แตกแยกกันมีอยู่จริงวิเช่หรือส ก, กวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นบุคคลผู้กับปะะัตตะจึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับกับ ป, ะะบปัตตะถาจบ 2. กุศลปฏิลาภกถา หนึ่ว่าด้วยการได้จิตที่เป็น 8, กุศล658้อสกวาทีบุคคลผู้กับปะทะไม่พึงได้จิตที่เป็นกุศลใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้กับปะทะพึงให้ทานใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีหากบุคคลผู้กับปะทะพึงให้ทานท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า บุคคลผู้กับปะทะไม่พึงได้จิตที่เป็นกุศลสกวาธีบุคคลผู้กับปัถะไม่พึงได้จิตที่เป็นกุศลใช่ไหมปรวาธีใช่ส ก, กวาธีบุคคลผู้กับปัถะพึงถวายจีวรบิณฑบาตเสนาสนะคิลานปัจใจเภสัชบริขารของขบเคี้ยวของบริโภคน้าดื่มพึงไหวพระเจดี ยกดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้บูชาพระเจดีทำประทักษิณพระเจดีใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีหากบุคคลผู้กับปะะพึงทำประทักษิณพระเจดีท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้กับปะทะไม่พึงได้จิตที่เป็นกุศล หกรปรวาทีบุคคลผู้กับปะทะพึงได้จิตที่เป็นกุศลใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีบุคคลผู้กับปะทะพึงได้จิตที่เป็นกุศลเป็นเหตุออกจากจิตที่เป็นอกุศลนั้นใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพึงได้จิตที่เป็นกุศลที่เป็ น, รป อ, นอรูปาวจรอรูปาวจร โลกุตระใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นกุจระปฏิลาภกถาจบ 3. อนันตราปรยุตตกถา128ว่าด้วยบุคคลผู้ใช้ให้ทำอนันตเรียกรรม660ปรวาทีบุคคลผู้ใช้ให้ทำอนันตเรียกรรม พึงก้าวลงสู่สมัตตนิยามได้ใช่ไหมจักกวาทีใช่ประวาทีพึงก้าวลงสู่มิจฉาตนิยามและสมัตตนิยามทั้งสองใช่ไหมจักกวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นประวาทีบุคคลผู้ใช้ให้ทําอนันตริยกรรมพึงก้าวลงสู่สมัตตนิยามได้ใช่ไหมักวาทีใช่ ปรวาทีกรรมที่ใช้ให้ทำนั้นก่อความรำคาญใจให้ให้เกิดความเดือดร้อนใจไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากกรรมที่ใช้ให้ทำนั้นก่อความรำคาญใจให้ให้เกิดความเดือดร้อนใจได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้ใช้ให้ทำอนันตรียกรรมพึงก้าวลงสู่สมมตตนิยามได้ 1> 66 1. กกรอสกวาทีบุคคลผู้ใช้ให้ทำอนันตริยกรรมเป็นผู้ไม่ควรก้าวลงสู่สมมตตนิยามใช่ไหมปราวาทีใช่ส ก, กวาทีเขาได้ปรุงชีวิตมารดาปรุงชีวิตบิดาปรุงชีวิตพระอรหันต์มีจิตคิดประทุษร้ายทำร้ายพระตถาคตจนพระโลหิตพ่อทำลายสงฆ์ให้แตกกันใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ศักาวาทีบุคคลผู้ใช้ให้ทำอนันตริยกรรมล้มเลิกกรรมนั้นแล้วบรรเทาความรำคาญใจกำจัดความเดือดร้อนใจได้แล้วเป็นผู้ไม่ควรก้าวลงสู่สมมตินิยามใช่ไหมปราวาทีใช่ศักาวาทีเขาปรงชีวิตมารดาปรงชีวิตปิดาทำลายสงให้แตกกันใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกาวาทีบุคคลผู้ใช้ให้ทำอนันตเรียกกรรมล้มเลิกกรรมนั้นแล้วบรรเทาความรำคาญใจกำจัดความเดือดพร้อนใจได้แล้วเป็นผู้ไม่ควรกล้าลงสู่สมมตินิยามใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาทีเขาล้มเลิกกรรมนั้นบรรเทาความรำคาญใจกำจัดความเดือดพร้อนใจแล้วไม่ใช่หรือประวาทีใช่สกาวาที หากเขาล้มเลิกกรรมนั้นแล้วบรรเทาวความรำคาญใจกําจัดความเดือดร้อนใจได้แล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้ใช้ให้ทําอนันตริยกรรมล้มเลิกกรรมนั้นแล้วบรรเทาวความรำคาญใจกําจัดความเดือดร้อนใจได้แล้วเป็นผู้ไม่ควรก้าวลงสู่สมมตินิยาม662ปรวาที บุคคลผู้ใช้ให้ทำอนันตริยกรรมพึงก้าวลงสู่สมมัตตนิยามได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีเขาเป็นผู้ใช้ให้ทำกรรมนั้นไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากเขาเป็นผู้ใช้ให้ทำกรรมนั้นท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้ใช้ให้ทำอนันตริยกรรมพึงก้าวลงสู่สมมตตนิยามอนันต ร, ประปยุตติกถา สนิยตสนิยา ม, มกะถาหนึยยว่าหน่วยนิยามของบุคคลผู้แน่นอน6กรสิกวาทีบุคคลผู้แน่นอนก้าวลงสู่นิยามได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาธีบุคคลผู้แน่นอนในมิจชตะก้าวลงสู่สมัตินิยามได้ บุคคลผู้แนนอนในสัมัตตาก็ก้าวลงสู่มิจฉัตานิยามได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู so ้แนนอนก้าวลงสู่นิยามได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้แนนอนเจริญมักมาก่อนแล้วจึงก้าวลงสู่นิยามในภายหลังใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที บุคคลผู้แน่นอนจเจริญโสดาปติมัคมาก่อนแล้วจึงก้าลงสู่โสดาปตินิยามในภายหลังใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีบุคคลผู้แน่นอนจเจริญสกทาคามีมัคอนาคามีมัคอรหัตมัคมาก่อนแล้วจึงก้าวลงสู่อรหัตตนิยามในภายหลังใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกาวาทีบุคคลผู้แน่นอนเจริญสติปัฏฐานสมปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พล ะ, ระโพชฌงมมาก่อนแล้วจึงก้าวลงสู่นิยามในภายหลังใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหกร้อยหประวาทีท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลผู้แน่นอนก้าวลงสู่นิยามได้ใช่ไหมักาวาทีใช่ ประวาทีพระโพธิสัตว์เป็นผู้ไม่ควรจะบลุธรรมในชาตินั้นใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นประวาทีดังนั้นบุคคลผู้แน่นอนจึงก้าวลงสู่นิยามได้นิยตัดสนิยามกถาจบ 5. นิวุตติถาหนึ่งร้ามสว่าโดยผู้มีจิตถูกนิวรณ์ครอบงำ 6 6 5กสกวาทีบุคคลผู้ถูกนิวรองครอบงำและนิมมอได้ใช่ไหมปราวาทีใช่ส ก, กวาถีบุคคลผู้กำหนัดแล้วละราคะผู้ขัดเคืองแล้วละโทสะผู้หลงแล้วละโมหะผู้เศ้าหมองแล้วละกิเลสได้ใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส ก, กวาทีบุคคลละราคะด้วยราคะและโทสะด้วยโทสะ ละโมหะด้วยโมหะละกิเลส ด, ด้วยกิเลสใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรคาคะสัมปยุทธ์ด้วยจิตมักก็สัมปยุทธ์ด้จิตใช่ไหมปราวาทีใช่สักวาทีมีการประชุมแห่งภัตตะสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีรคาคะเป็นอกุศลแต่มักเป็นกุศลใช่ไหม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 หท้องฟ้ากับแผ่นดินนี้เป็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเลิศเกินอย่างที่หนึ่งเป็นต้นละเพราะฉะนั้นธรรมของสัตว์บุรุษจึงห่างไกลกับธรรมของอสัตว์บุรุษมีอยู่จริงมิใช่หรือประวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลมาประชุมกันได้สักวาที บุคคลผู้ถูกนิวรณ์ครอบงำละนิวรณ์ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนควรเกี่ยวการใช้งานตั้งมั่นไม่วันไหวอ ย, อย่างนี้ยอมน้อมจิตไปเพื่อยานเป็นเครื่องสิ้นอาสวะมีอยู่จริงมิเช่หรือ ประวาทีใช่ส ก, กวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้ถูกนิวองครอบงามละนิวรณ์ได้ห้อบประวาทีท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลผู้ถูกนิวองครอบงามละนิวรณ์ได้ใช่ไหมส ก, กวาทีใช่ประวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุนั้นเมื่อรู้เห็นอยู่อย่างนี้ จิตยอมหลุดพ้นจากกาาสะวะบ้างจากอาวิชชาสะวะบ้างมีอยู่จริงมิเชพหรือสกวาธีใช่ปราวาธีดังนั้นบุคคลผู้ถูกนิวอนครอบงำจึงละนิวรนได้นิวุตกถ า, าจบ 6. สมุขขีภูตกถ า, า131ว่าด้วยผู้พรั่งพร้อมด้วยสังโยชน 6กร้อยกสิกวาทีบุคคลผู้พรั่งพร้อมได้สังโยชต์ละสังโยต์ได้ใช่ไหมปร ว, รวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้กำหนัดแล้วละวราคะผู้ขัดเคืองแล้วละโทสะผู้หลงแล้วละโมหะผู้เศร้ามองแล้วละกิเลสได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที บุคค ล, ละราคะด้วยราคะละทโทสะด้วยทโทสะละโมหะด้วยโมหะละกิเลสด้วยกิเลสใช่ไหมปราามวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีราคะสัมปยุทธิจิตมรรคสัมปยุทธิจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมีการประชุมแห่ง菩萨สองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น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 สภาธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลที่มีโทษและไม่มีโทษที่เลวและประ น, นีที่เป็นฝ่ายดำเป็นฝ่ายขาวและเป็นฝ่ายมีส่วนปเปรียบมาประชุมกันได้ใช่ไหมประวาทีใช่สั ก, กวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเลิศเกินสีอย่างนี้สิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเลิเกินสีอย่างอะไรบ้างคือ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 บุคคลผู้พรังพร้อมด้วยสังโยชน์ละสังโยชน์ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลนั้นเมื่อจิตตั้งมั่นอย่างนี้ยอมน้อมจิตไปเพื่อญาณเป็นเครื่องสิ้นอาสวะมีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้พังพร้อมด้วยสังโยชน์ละสังโยชน์ได้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 ปราวาทีดังนั้นบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยสังโยชนจึงละสังโยชนได้สมุขขีภูตกถาจบเจ็ดสมาปันโนอัตสาเทติกถา132ว่าด้วยผู้เข้าสมาบัติย่อมยินดี671ส ก, กวาทีบุคคลผู้เข้าสมาบัตย่อมยินดี ความยินดีในฌานมีฌานเป็นอารมณ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีฌานนั้นเป็นอารมณ์ของฌานนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีฌานนั้นเป็นอารมณ์ของฌานนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลถูกตั้งภาษะนั้นด้วยภาษะนั้นเสวยเวทนานั้นด้วยเวทนานั้น จำสัญญานั้นด้วยสัญญานั้นจงใจเจตานานั้นด้วยเจตานานั้นคิดจิตนั้นด้วยจิตนั้นตรึกวิตกนั้นด้วยวิตกนั้นตรองวิจารนั้นด้วยวิจารนั้นเออบิมปีตินั้นด้วยปีตินั้นระลึกสตินั้นด้วยสตินั้นรู้ชัดปัญญานั้นด้วยปัญญานั้นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที ความยินดีในฌานสัมปยุตได้จิตฌานก็สัมปยุตได้จิตใช่ไหมปรวาทีใช่ส ก, กวาทีมีการประชุมแห่งภัสตะสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส ก, กวาทีความยินดีในฌานเป็นอกุศลแต่ฌานเป็นกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่ส ก, กวาทีสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศล ที่มีโทษและไม่มีโทษที่เลวและประนีที่เป็นฝ่ายดำเป็นฝ่ายขาวและเป็นฝ่ายมีส่วนเปรียบมาประชุมกันได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น672สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลที <dancing> okay. ่มีโทษและไม่มีโทษที่เลวและประนีที่เป็นฝ่ายดำเป็นฝ่ายขาวและเป็นฝ่ายมีส่วนเปรียบ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 จึงห่างไกล ก, กันกับธรรมของอสัตตบุรุษมีอยู่จริงมิใช่หรือประวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลที่มีโทษและไม่มีโทษที่เลวและประณีตที่เป็นฝ่ายดำและเป็นฝ่ายขาวและเป็นฝ่ายมีส่วนเปรียบมาประชุมกันได้หกปรวาที ท่านไม่ยอมรับว่าผู้เข้าสมาบัติย่อมยินดีความยินดีในฌานมีฌานเป็นอารมณ์ใช่ไหมศักกวาทีใช่ปรวาทีปร ะ, ระสูนที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพิจูตทั้งหลายพิกจุในธรรมินัยนี้สงัด จ, จากการมทั้งหลายบรุปธรมฌานอยู่เอยินดีในปฐมฌานนั้น ติดใจปฐมฌานนั้นและถึงความปลื้มใจด้วยฌานนั้นเพระวิตกและวิจารณ์สงบประงับไปบรลุทุติยฌานบรลุตติยฌานบรลุจตุตถฌานอยู่เพยินดีในจตุตถฌานนั้นติดใจจตุตถฌานนั้นและถึงความปลื้มใจด้วยจตุตถฌานนั้นมีอยู่จริงมิเท่หรือสกวาทีใช่ ปรวาทีดังนั้นผู้เข้าสมาบัตย่อมยินดีความยินดีในฌานจึงมีฌานเป็นอารมณ์สมาปันโนอัสาเทติกถาจบ 8. อัศตราคาัตถะหนึ่งร้อยามสิบสามบ่ดความยินดีในสิ่งที่ไม่ชอบใจหกพันเจ็ดกวาทีความยินดีในสิ่งที่ไม่ชอบใจมีอยู่ใช่ไหม ประวาทีใช่สกวาทีสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ยินดีอย่างยิ่งในทุกข์บางพวกปรารถนากระยิมแสาวางหาค้นหาเสาะหาทุกข์ยึดทุกดารงอยู่ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ยินดีอย่างยิ่งในสุขบางพวกปรารถนากระยิมแสาวางหาค้นหา เสาะหาสุขยึดสุขดำรงอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีหากสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ยินดีอย่างยิ่งในสุขบางพวกปรารถนากระยิมสแสวงหาค้นหาเสาะหาสุขยึดสุขดำรงอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าความยินดีในสิ่งที่ไม่ชอบใจมีอยู่สกวาทีความยินดีในสิ่งที่ไม่ชอบใจมีอยู่ย ใ, ช ใ, ยใช่ไหม ปรวาทีใช่จักกวาทีราคานุสัยนอนเนื่องอยู่ในทุกขเวทนาปฏิคานุสัยนอนเนื่องอยู่ในสุขเวทนาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีราคานุสัยนอนเนื่องอยู่ในสุขเวทนาปฏิคานุสัยนอนเนื่องอยู่ในทุกขเวทนามิเชื่หรือปรวาทีใช่จสกวาที หากปราคานุสัยนอนเนื่องอยู่ในสุขเวทนาปฏิคานุสัยนอนเนื่องอยู่ในทุกขเวทนาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าความยินดีในสิ่งที่ไม่ชอบใจมีอยู่หกร้เจ็หประวาทีท่านไม่ยอมรับว่าความยินดีในสิ่งที่ไม่ชอบใจมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ประวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า บุคคล น, นั้นสมบูรณ์ด้วยความยินดีหรือความยินร้ายอย่างนี้แล้วตระเวเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมัสสุขเวทนาก็ตามเขาย่อมเพลิดเพลินบนถึงติดใจเวทนานั้นมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นความยินดีในสิ่งที่ไม่ชอบใจจึงมีอยู่ อสาตระธาขะกถาจบกธรรมตัญหาอัพยากตาติกถา134ว่าด้วยธรรมตัญหาเป็นอัพยากฤษ676ส ก, กวาธีธรรมตัญหาเป็นอัพยากฤษใช่ไหมปรวาธีใช่ส ก, กวาธี ธรรมตันหาเป็นอัพยกฤิฝ่ายวิบากเป็นอัพยกฤิฝ่ายกิริยาเป็นรูปเป็นนิพพานเป็นจกักขายะตนะเป็นโพธพายะตนะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีธรรมตันหาเป็นอัพยากฤตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรูปตันหาเป็นอัพยากฤิใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาธีธรรมตันหาเป็นอัพยากฤิใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาธีสัทธตันหาคันทตันหาพระสัตตันหาโพธพะตันหาเป็นอัพยากฤตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีรูปตันหาเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาธี ธรรมตันหาเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัทธตันหาโพธพตันหาเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาทีธรรมตันหาเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น6 7 7จัดกวาทีธรรมตันหาเป็นอัพยากริใช่ไหมปรวาทีใช่ ักาวาทีตันหาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอกุศลไม่ใช่หรือประวาทีใช่ักาวาทีหากตันหาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอกุศลท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าธรรมตันหาเป็นอัพยากฤิตักาวาทีธรรมตันหาเป็นอัพยากฤิตใช่ไหมประวาทีใช่ักาวาที โลภะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอกนุศลธรรมตัญหาเป็นโลภะไม่เช่หรือปรวาวาทีใช่จักวาทีหากโลภะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอกนุศลธรรมตัญหาเป็นโลภะท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าธรรมตัญหาเป็นอภยกกฤตอยเจัดกวาทีโลภะคือธรรมตัญหาเป็นอัพยกริศใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีโลภคือรูปตัณหาเป็นอัพยากฤิใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโลภคือธรรมตัณหาเป็นอัพยากฤิใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโลภคือสัทธตัณหาโลภคือโผฏฐพัตตัณหาเป็นอัพยากฤิใช่ไหมปรวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโลภคือ hmm รูปตันหาเป็นอกุศลใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีโลภคือธรรมตันหาเป็นอกุศลใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโลภคือสัทธตันหาโลภคือโผฏัพตันหาเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาธีโลภะคือธรรมตันหาเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหกรจ็ก้วาธีธรรมตันหาเป็นอัพยากฤิใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาธีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าตันหาอันทําให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกําหนัด มีปกติให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆคือกามตัญหาภาวะตัญหาวิภวะตัญหามีอยู่จริงมิใช่หรือประวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าธรรมตัญหาเป็นอัพยกริกฤ้680ประปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าธรรมตัญหาเป็นอัพยกริใช่ไหมสกวาที ใช่ปรวาทีตันหานั้นเป็นธรรมตันหามิใช่หรือตกวาทีใช่ปรวาทีหากตันหานั้นเป็นธรรมตันหาดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าธรรมตันหาเป็นอัพยกฤตธรรมตันหาอัพยกตตาติกถาจบสิบ ธรรมตันหาทุกขสมุทัยติกถา13ึว่าด้วยธรรมตันหาไม่เป็นทุกขสมุทัยหกรยแปสอ็ดกวาทีธรรมตันหาไม่เป็นทุกขสมุทัยใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรูปตันหาไม่เป็นทุกขสมุทัยใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาทีธรรมตันหาไม่เป็นทุกขสมุทัยใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาทีสัทธตันหาคันธตันหารัตตันหาโพธพัตตันหาไม่เป็นทุกขสมุทัยใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาทีรูปตันหาเป็นทุกขสมุทัยใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาทีธรรมตันหาเป็นทุกขสมุทยัยใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัทธตันหาคันทะตันหารัสตันหาโธพธพะตันหาเป็นทุกขสมุทยัยใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีธรรมตันหาเป็นทุกขสมุทัยใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น หก Thai, right? ร้อยกวาท April, ีธรรมตันหาไม่เป็นทุกขสมุทัยใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาทีตันหาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นทุกขสมุทัยมิเช่หรือปรวาทีใช่ักวาทีหากตันหาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นทุกขสมุทัยท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าธรรมตันหาไม่เป็นทุกขสมุทัยสกวาที ธรรมตันหาไม่เป็นทุกขสัมบูทัยใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโลภะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นทุกขสัมบูทัยธรรมตันหาเป็นโลภะมิเชพหรือปรวาทีใช่สกวาทีหากโลภะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นทุกขส e ัมบูทัยและธรรมตันหาเป็นโลภะท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าธรรมตันหาไม่เป็นทุกขสัมบูทัย หกรสักวาทีโลภะคือธรรมตันหาไม่เป็นทุกขสมุทัยใช่ไหมปราวาทีใช่สักวารีโลภะคือรูปตันหาไม่เป็นทุกขสมุทัยใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวารีโลภะคือธรรมตันหาไม่เป็นทุกขสมุทัยใช่ไหมปราวาทีใช่ ักวาที thrill, โลภะคือส <oo sog Reserve> uh. ัทธตันหาโลภะคือคันทะตันหาโลภะคือรัตตันหาโลภะคือโพธพตันหาไม่เป็นทุกขธรรมุทัยใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโลภะคือรูปตันหาเป็นทุกขธรรมุทัยใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโลภะคือธรรมะตันหาเป็นทุกขธรรมุทัยใช่ไหม ประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโลภะคือสัทธตันหาโลภะคือโพธพัฒนหาเป็นทุกขสมุทัยใช่ไหมประวาทีใช่สกวาที FREE? โลภะคือธรรมตันหาเป็นทุกขสมุทัยใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น84พันกวาที feeder. ธรรมตันหาไม่เป็นทุกขสมุทัยใช่ไหม ปรวาทีใช่จักกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าตัณหาอันทํำให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกําหนัดมีปกติให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆคือการมตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหามีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาที ดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าธรรมตันหาไม่เป็นทุกขสมุทัยหกรยแปดาปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าธรรมตันหาไม่เป็นทุกขสมุทัยใช่ไหมักวาทีใช่ปรวาทีตันหานั้นเป็นธรรมตันหาไม่ใช <th <us> ่ห <receiver> รือักวาทีใช่ปรวาทีหากตันหานั้นเป็นธรรมตันหา ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าธรรมตัญหาไม่เป็นทุกขสมุทยัยธรรมตัญหานะทุกขสมุททยติกถาจบเตระสมวัคจบรวมคถาที่มีในวรรนี้คือ 1. กับปัถกถาสองกุศลปฏิลาภกถาสาอนันตราประยุติกถาสนิยตสนิยามกถา ห้านิพุตตกถาหกสมมุขีภูตกถาเจ็ดสมาปันโนอาศาเทติกถาแปดอาตราะคาตาเก้าธรรมตันหาอาพยยากตาติกาถาสิบธรรมตันหานทุกขสมุทโยติกถา